เสียงอ่านหนังสือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขียนโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณแนะนำก่อนฟังจากผู้บันทึกเสียงอริยะคุณชมรมพลดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามอย่างตามหลักวิชาการทางพุทธที่ควรรู้ให้ชัดและเข้าใจให้ตรงเพื่อความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมได้จริงในชาตินี้คือหนึ่งพระรัตนตรยัยโดยเฉพาะธรรมคุณ 2. โอปปาติกะ ชีวิตประเภทกายทิพย์ในชั้นเทพเจ้าและสวิบากอำนาจศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มีฤทธิ์ดลบันดาลให้ผลทั้งด้านดีด้านร้ายหรือเป็นผู้สร้างสรรหรือต้นกำเนิดแห่งทุกสรรพสิ่งในทางวิชาการของพระพุทธศาสนามีจริงแค่ไหนควรเชื่อและปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรทำไมการศึกษาเรื่องนี้ให้รู้จริงจึงจาเป็น ที่จะส่งผลดีต่อความเข้าใจธรรมขั้นสูงและช่วยพาคนให้พ้นจากมิจฉาทิฐิหละสังโยชน์คือศิลปพตัตตะปรามาสความงม ง, งายกับวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยที่ขวางการบรรลุธรรมในเบื้องต้นส่งให้เข้าใจหลักอริยาาสัจสีและปฏิจสมุปบาทให้เกิดศรัทธาในกรรมเพิ่มภูนศิลธรรมในใจโดยไม่ต้องมีใครบังคับเพิ่มสมถภาพให้กายใจ จ, จัดปัดเป่าภัยอันตรายและช่วยแก้ปัญหาสารพัดอย่างในชีวิตการงานสะดวกสบายมีวิถีชีวิตราบรื่นมากขึ้นอย่างถูกต้องตรงธรรมได้จริงอย่างไรสิ่งมีจริงแต่กล่าวว่าไม่มียอมเป็นมิจฉาวาจาสิ่งมีจริงแต่เชื่อว่าไม่มียอมเป็นมิจฉาทิฐิย่อมชื่อว่าเดินส่วนทางกับอริยมรรคพระอระหันต์คือผู้สิ้นสงสัย สิ่งมีจริงคือภพภูมิการเวยนว่ายตายเกิดผลของกรรมแต่ไม่แน่ใจว่ามีจริงหรือไม่มีจริงกันแน่จะชื่อว่าสิ้นสงสัยได้อย่างไรเนื้อหาช่วงแรกจะปูพื้นเพื่อความเข้าใจในเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความสำคัญของคาสอนทางพุทธคือธรรมะคุณว่ามีประโยชน์และช่วยแก้ปัญหาทั้งของตนและสังคมได้ทุกอย่างอย่างไรซึ่งค่อนข้างยาวพอสมควร แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องรู้ก่อนถ้าท่านเข้าใจแก่นคําสอนของหนังสือเล่มนี้โดยเฉพาะเรื่องวิบากจะทําให้ท่านเข้าใจสัจธรรมเข้าใจโลกเกิดปัญญาเป็นอริยสัพย์ที่จะส่งผลดีในทุกด้านต่อชีวิตของท่านทั้งชาตินี้และชาติหน้าอย่างประมาณไม่ได้เลยทีเดียวและในตอนท้ายท่านยังแนะนําถึงปัญหาในการเผยแผ่ศาสนาว่าควรทําอย่างไรควรสอนอย่างไรจึงจะได้ผลดีกว่าที่เป็นอยู่นี้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะรักษาพระศาสนาให้ยืนนานและทำให้สังคมสงบร่มเย็นอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขมากกว่านี้หนังสือเล่มนี้จึงถือว่าเป็นประโยชน์มากทั้งกับคนทั่วไปและกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจในกิจการเผยแผ่ทํานุบารุงพระศาสนาที่ควรศึกษาและนำเอาไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่ตอไปนะครับเนื้อหาที่สาคัญภายใน กุตศาสนาช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ทุกอย่างอย่างไรความศักดิ์สิทธิ์แห่งคำสอนทางพุทธอำนาจแห่งธรรมคุณกรรมวิบากวิญญาณในความหมายที่ลึกซึง้งประโยชน์ของการศึกษาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างถูกต้องสิ่งที่อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงการเข้าใจเรื่องวิบาก่างแท้จริงเป็นสิ่งสาคัญมากที่สุดอย่างไรวิบาศีประเภท ตัวกำหนดชะตาชีวิตและความสามารถพิเศษการสร้างบารมีสร้างอำนาจศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวเองวิธีดึงพลังศักดิ์สิทธิ์จากอำนาจแห่งพุทธคุณที่ถูกต้องการอธิษฐานทาไมบางคนได้ผลบางคนไม่ได้ผลหลักพิจารณาอธิษฐานจิตเพื่อแผ่เมตตาให้อภัยได้จริงหลักธรรมกับการเพิ่มสมรรถภาพทางกายใจ ธรรมะสู่ความเป็นอัริยะเหนือผู้อื่นชีวิตหลังตายในโลกของโอปปาติกะคือชีวิตประเภทกายทิพย์โอปปาติกะประดับไหนถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าและคำสอนศาสนาอื่นเมื่อเทียบกับวิบากของพุทธชีวิตคนเราเกี่ยวข้องกับโอปปปาติกะอยู่เสมออย่างไร เทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าช่วยได้จะช่วยได้แค่ไหนการดวนใจของเจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจำตัวมีจริงหรือไม่มีผลแค่ไหนทำดีได้ดีคือได้ดีที่ไหนอย่างไรเหตุให้ร่ำรวยผลแห่งทานบา ร, รมีเหตุให้มีปัญหาสุขภาพเกิดอุบัติเหตุการกลับมาเกิดเช้าเร็วของแต่ละคนแรงดึงดูดให้ไปเกิดในภพไหนกับพ่อแม่แบบใด จะรู้ได้อย่างไรว่าใครมีบุญมาเกิดมีจิตใจสูงอุปสรรคในการเผยแผ่ศาสนาและเหตุที่ขวางคนทั่วไปไม่ให้อยากสนใจความเข้าใจผิดในการปฏิบัติศึกษาธรรมสำหรับคารวาดควรเริ่มต้นเผยแผ่ศาสนาอย่างไรวิธีสอนศาสนากับคนในวงกว้างและผู้เริ่มต้นให้ได้ผลทำอย่างไรจะไม่ให้คนเบื่อในการศึกษาธรรม เหตุใดบางคนจึงเข้าใจคําสอนได้ง่ายลึกซึ้งกว่าคนอื่นทําไมฆราวาสบางคนสอนคนบางกลุ่มได้ดีกว่าพระคนประเภทไหนช่วยสังคมได้ดีวิธีเลือกหาบุคคลที่มีวิบากมาดีที่สามารถพัฒนาองค์กรหรือพัฒนาบ้านเมืองได้ผลจริงอาจารย์คอนรัตนสุวรรณเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยลาลัยสง์ของไทย ที่แตกฉานทั้งด้านปริยัตยิและด้านปฏิบัติสมาธิวิปัสนาเป็นผู้ชําระพระไตายปิฎกอัตถกถาและดีกาเป็นผู้ก่อตั้งธรรมวิจัยและศูนย์พัฒนาศาสนาแคมสนสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมที่สําคัญของมหาวิทยาลัยสงฆ์คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและภายหลังท่านมาก่อตั้งสํานักค้นคว้าทางวิญญาณเพื่อเน้นงานในเรื่องชีวิตหลังความตายโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เข้าใจว่า พบชาติมีจริงตายแล้วไม่สูนเพื่อล้างความงมงายให้กับสังคมให้เข้าใจชีวิตหลังตายหรือสิ่งมีชีวิตประเภทกายทิพย์ได้ถูกต้องและนำเข้าสู่ความเข้าใจกฎแห่งกรรมอริย ส, สัจสีและปฏิจจสมุปบาทต่อไปหนังสือของอาจารย์พรทุกเล่มนั้นควรอ่านหรือฟังให้จบทั้งหมดก่อนและพิจารณาเปรียบเทียบว่ามีเหตุผลแค่ไหนจึงค่อยเชื่อหรือปฏิเสธ อย่างน้อยก็เก็บสิ่งที่พอจะเชื่อได้ไปบางส่วนก็น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนื้อหาส่วนไหนที่เห็นแยง้งหรือไม่อยากเชื่อหรือไม่เข้าใจก็ให้ข้ามไปก่อนเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะค่อยกลับมาอ่านหรือฟังอีกรอบก็อาจจะเข้าใจหรือได้มุมมองใหม่ที่ต่างออกไปนะครับอ่านโดยอริยคุณร่วมจัดทาโดยเจ้าภาพหลักนมนตั้งสกุลภัยสารเอกลักษ์เลิดวรลักษ บุญช่วยคงขารักเจ้าภาพรองครอบครัวเอิมวงศรีครอบครัวสีโภคารครอบครัวอาิสกุลครอบครัวขหาสุวรรณไนโลติวิกุลพีรพัฒน์อุตราสริติกุลทัชวดีพระมาราณ น, นทันญยญพรเกิดมั่งมีนาทีรทันชนกชาดาร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จดถ่ายเรื่องชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปได้ด้วยธรรมะจะสะท้อนกลับมาเป็นแรงส่งให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปทุกๆด้านอย่างเป็นธรรมเช่นกัน เสียงงานทุกเรื่องเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ท่านปวงขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปนะครับ